สัมผัสสยองกระดั่ห้อมหลอนกลางป่าสวัสดีครับทีมงานสัมผัสสยองผมชื่ออาร์ตนะครับวันนี้จะมาแบ่งปันประสบการณ์สยองขวัญซึ่งเป็นประสบการณ์ของคุณปู่ผมเองมันเกิดขึ้นเมื่อห้าสิปีที่แล้วสมัยที่ท่านเป็นหนุ่ม ท่านชอบออกล่าสัตว์เพื่อนามาเป็นอาหารและล่อเลี้ยงครอบครัวเป็นประจำครอบครัวของผมอาศัยอยู่ในชนบทสมัยก่อนความเจริญก็ยังไม่เข้าถึงสักเท่าไหร่เพราะหมู่บ้านที่ปู่ผมอาศัยอยู่นั้นเป็นหมู่บ้านติดชายเขาแถวอำเภอเขาวงจังหวัดการาสินดังนั้นการทามาหากินต่างๆจึงต้องอาศัยป่าเป็นส่วนใหญ่มีวันหนึ่ง ของผมได้ออกล่าสัตว์เหมือนกับทุกๆครั้งช่วงนั้นเป็นหน้าฝนบรรยากาศในวันนั้นอากาศดีหน่าออกหากินตกเย็นท่านก็ได้พกอาวุธประจำกายเป็นปืนแก๊ปยาวเดินมุ่งหน้าเข้าป่าเพื่อล่าสัตว์หาอาหารด้วยความชำนาญท่านคุ้นชินกับป่าแถวนี้มากเรื่องที่จะหลงป่านั้นสำหรับท่านแล้วเป็นไปไม่ได้เลย ตอนนั้นเป็นเวลาพบคำท่านก็เดินไปเรื่อยเพื่อสืบหาร่องรอยของสัตว์แต่น่าแปลกที่ยังไม่พบร่องรอยของสัตว์เลยแม้แต่ตัวเดียวเอ๊ะวันนี้พวกสัตว์มันหายไปไหนหมดวะปู้ผมท่านก็หาไปบนไปเรื่อยคืนนี้ท่านกล่าวว่าจะเดินลัดภูเพื่อจะไปทะลุอีกหมู่บ้านหนึ่งตอนนั้นไม่รู้ว่าดึกเท่าไหร่แล้ว อยู่ๆฝนก็ดันตกลงมาอย่างหนักท่านเลยรีบเดินผ่านป่าไปอย่างรวดเร็วพอเดินลงเขาได้สักพักก็มองเห็นแสงไฟตะเกียงรีบรีจากกระท่อมที่อยู่ไม่ห่างไปสักเท่าไหร่ท่านจึงรีบเดินไปเพื่อขอไายหลบฝนชั่วคราวพอเดินเข้าไปใกล้กระท่อมหลังนั้นก็เห็นคนแก่สองคนเป็นตากับยาย อายุราวราว7 5หปปีจึงกล่าวทักทายตายายทั้งสองคนแล้วบอกว่าผมขอพักหลบฝนสักครู่หน่อยได้ไหมครับตาคนนั้นเลยตอบ ป, ปู่ผมว่าเข้ามาสิพ่อหนุ่มว่าแล้วปู่ผมก็รีบเดินเข้าไปในกระท่อมนั้นอย่างรวดเร็วตาคนนั้นได้ถามปู่ผมว่าพ่อหนุ่มมาจากไหนล่ะ ผมก็เลยตอบเขาไปว่าผมมาล่าสัตว์ครับแต่ยังไม่ได้อะไรเลยแถมยังต้องมาเจอฝนตกอีกแย่จริงๆพอตาคนนั้นได้ฟังก็ยิม้มแล้วมองหน้ากันกับยายจากนั้นตาก็บอกปูผมว่าไม่เป็นไรหรอกพ่อหนุ่มพักอยู่ที่นี่ก่อนก็ได้แล้วค่อยกลับดูท่าทางตายายสองคนนี้เขาก็ดูมีเมตตา และพูดดีเป็นกันเองมากปู่ผมเลยถามต่ออีกว่านี่บ้านของตายายใช่หรือเปล่าครับตาตอบว่าเปล่าหรอกนี่เป็นกระท่อมที่สวนฉันเองเราออกมาอยู่ที่นี่กันตั้งนานแล้วสักพักยายก็ไปตักน้ำมาให้ปู่ของผมดื่มขอบคุณครับปู่ผมตอบเวลาผ่านไปไม่นานหนากักฝนก็เริ่มหยุดตก ปูผมก็ขอตัวลาตายายคู่นั้นเพื่อที่จะเดินทางกลับกลับก่อนนะครับตายายฝนเริ่มหยุดตกแล้วขอบคุณมากนะครับตายายไม่ตอบอะไรมองหน้าปู่ผมแล้วก็ยิ้มปู่ผมบอกต่ออีกทีว่าวงวางจะแววของมาฝากนะครับตายายพอพูดจบก็เดินออกจากกระท่อมหลังนั้นไปหลายวันต่อมา ปู่ผมก็ได้มีโอกาสนั่งคุยกับเพื่อนบ้านใกล้กันแล้วเล่าเรื่องที่ได้ไปพักอยู่กระท่อมหลังหนึ่งที่หลังเขาให้ฟังเพื่อนบ้านก็ได้ถามว่ามันอยู่ตรงไหนปู่ผมจึงบอกบริเวณที่พบกระท่อมของสองตายายให้ฟังเมื่อเพื่อนบ้านได้ยินก็ตอบสวนกลับมาทันทีว่ากระท่อมหีแล้วสิสองตายายที่แกเห็นน่ะเขาตายบินานแล้ว ปู่ผมได้ฟังเช่นนั้นแล้วก็ไม่เชื่อจึงตอบสวนกลับไปทันทีว่าผีเผอที่ไหนกันคนชัดๆพูดคุยกันอย่างปกติเนี่ยแหละอย่ามาอำกูเลยกูไม่เชื่อหรอกเพื่อนบ้านคนนั้นก็เลยบอกว่าถ้าแกไม่เชื่อแกก็ลองไปดูอีกครั้งตอนกลางวันสิเออคอยดูกูจะไปดูให้รู้ไปเลยแล้ววันหนึ่ง ปู่ผมก็ได้มีโอกาสไปที่นั่นอีกครั้งคราวนี้ปู่ผมได้มีของฝากไปด้วยมีผลไม้และอาหารบางส่วนติดตัวไปเพื่อนำไปฝากตากับยายแล้วปู่ผมก็ได้เดินลัดเลาะเข้าป่าไปตามทางที่เคยไปยังจุดที่พบกระท่อมตายายสองคนนั้นพอเดินไปเรื่อยๆก็มาพบจุดที่เป็นกระท่อมแต่สิ่งที่ทำให้ปู่ของผมชอ็อกที่สุดคือ กระท่อมที่เคยเห็นนั้นกลับเป็นกระท่อมร้างเก่าและผุพังมีแต่เถาวันขึ้นเต็มไปหมดซึ่งดูแล้วไม่น่าจะมีคนอยู่ได้เลยเมื่อปู่ผมเห็นดังนั้นก็แขนขาอ่อนมือไม้ไร้เรียวแรงและมีคำถามผุดขึ้นในใจอยู่มากมายเพราะตั้งสติได้ปู่จึงรีบออกจากที่นั่นโดยเร็วพอกลับมาถึงที่หมู่บ้าน ก็นำเรื่องนี้ไปเล่าให้ชาวบ้านฟังแล้วก็มีชายคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าเขารู้เรื่องนี้ดีเขาเล่าว่าเมื่อห้าปีที่แล้วที่นั่นมีสองตาใหญ่อาศัยอยู่กันสองคนทั้งสองมีอาชีพทําไร่ทาสวนอยู่มาวันหนึ่งได้มีโจรเข้าไปปล้นสองตาใหญ่นี้เพราะหวังในทรัพย์สินเงินทองแต่แล้วก็ไม่ได้อะไรไป พระสองตายายนี้ยากจนไม่มีทรัพย์สินเงินทองใดให้แก่พวกโจรทำให้พวกโจรโกรธมากและได้ฆ่าสองตายายนี้เสียจากนั้นก็ทิ้งศพไว้ในกระท่อมหลังนั้นกว่าจะมีคนมาพบศพก็ขึ้นอืดแล้วหลังจากนั้นกระท่อมหลังนั้นก็ถูกปล่อยทิ้งรางมาจนทุกวันนี้พอได้ฟังดังนั้น ูผมก็ได้ไปทำบุญเพื่ออุทิศ ส, ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้สองตายายนี้ที่วัดในหมู่บ้านหลังจากนั้นเวลาที่ปู่ออกไปล่าสัตว์ก็จะไม่ผ่านไปยังเส้นทางนั้นอีกเลยหีห่วงเตียงวันนี้เรามีประสบการณ์ตรงของคุณแม่ มาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รับฟังกันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นครั้งสมัยที่คุณแม่ยังเป็นนักศึกษาอยู่มันเป็นเรื่องจริงที่น่ากลัวมากถึงแม้เวลาจะผ่านไปหลายปีแล้วก็ตามแต่คุณแม่ก็ไม่อาจที่จะลืมมันได้เลยมันเป็นการเจอผีแบบจังๆแทบจะครบทุกประสาทสัมผัสทั้งรูปกลิ่นเสียงคาดเพียงแต่รสเท่านั้น แต่ก็คงไม่มีใครอยากลิ้มลองมันหรอกคุณแม่ของเราเป็นคนมีเซนต์อยู่แล้วแถมเซนต์ที่ว่านี้ก็แรงมากเสียด้วยแรงจนเปลี่ยนจากคนกลัวผีกลายมาเป็นคนที่เจอผีจนชินแล้วก็เลิกกลัวไปเลยแล้วเรื่องที่เรากําลังจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ถือว่าโหดที่สุดแล้วซึ่งเกิดขึ้นเมื่อตอนที่คุณยายเขารับการรักษามะเรง และคุณแม่ยังเป็นแค่นักศึกษาอยู่ที่โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์ชื่อดังแถววังหลังโดยมีคุณพ่อที่คบกันตั้งแต่สมัยเรียนมปลายเป็นธุราชจัดการทุกอย่างให้ก็เลยได้ห้องพิเศษมาห้องหนึ่งให้คุณแม่นอนเฝ้าคุณยายได้แบบส่วนตัวหลังจากที่คุณพ่อจัดการเรื่องต่างๆเสร็จแล้วก็กลับไปเรียนต่อ ปล่อยให้คุณแม่อยู่ลำพังกับยายเพียงสองคนครั้งแรกที่คุณยายเข้ามาในห้องนี้ก็มีความรู้สึกแปลกๆแต่ก็ไม่ได้บอกใครเพราะเกรงว่าคุณแม่จะกลัวเวลาผ่านไปเหตุการณ์ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากทานข้าวเย็นกันเสร็จพอตกดึกก็เข้านอนกันตามปกติกลางดึกของคืนนั้นเองคุณแม่สะดุ้งตื่นขึ้น เมื่อหันไปมองยายก็เห็นว่าหน้าตาของคุณยายดูเหนื่อยเนื่อยเหมือนกับไม่ได้นอนเลยเข้าไปถามด้วยความเป็นห่วงแต่คุณยายก็บอกว่าไม่มีอะไรแน่นอนว่าคุณแม่ไม่เชื่อเพราะเริ่มแปลกแปกตั้งแต่เข้ามาแล้วเหมือนกันคืนต่อมาหลังจากปิดไฟนอนเวลาประมาณตีสองกว่า ขณะที่คุณแม่กาลังนอนหลับอยู่ที่โซฟาก็มีความรู้สึกว่ามีคนมานอนเบียดอยู่ข้างๆพร้อมกับกลิ่นเหม็นกลิ่นนั้นมันเหม็นสาบมาเหม็นจนติดจมูกตอนนั้นคุณแม่มั่นใจว่าไม่ได้ฝันไปแน่ๆยังคงมีสติดีอยู่ทุกอย่างในใจก็คิดว่าหรือนี่จะเป็นคนที่เคยอยู่ในห้องนี้แล้วป่วยตาย กลายเป็นผีหวงเตียงด้วยความที่คุณแม่อ่อนเพลียจึงไม่สนใจและนอนต่อพยายามที่จะหลับแต่แล้วก็เหมือนกับว่าผีต้นนั้นจะได้ใจจึงยื่นหน้าเข้ามาวางพาดบนไหล่ของคุณแม่พร้อมกับเสียงลมหายใจและกลิ่นที่เหม็นเนา่าที่ชวยมาจากข้างรูหูจากนั้นก็มีเสียงหัวเราะทุ้มต่ำแหบแห่ เหมือนกับชอบใจที่ได้ทำแบบนี้จนคุณแม่ทนไม่ไหวหันหน้าไปแล้วลืมตาขึ้นมามองก็ต้องตกใจเมื่อสิ่งที่หยุดตรงหน้าห่างไปเพียงไม่กี่เซนติเมตรเป็นหญิงแก่ร่างกายผอมแหง้งผิวหนังหุ้มกระดูกลักษณะเหมือนกับคนป่วยหนักแม้ว่าไฟในห้องนั้นจะมืดมีเพียงแสงไฟเล็ดลอดออกมาจากห้องน้าเพียงเท่านั้น แต่ภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าก็ชัดเจนมากด้วยความง่วงและหงุดหงิดคุณแม่จึงพูดออกไปว่าถ้าจะมาขอส่วนบุญมาหลอกกันให้กลัวแบบนี้ฉันไม่ทําบุญให้หรอกนะบุญก็น้อยอยู่แล้วยังจะมาสร้างบาปกับคนอื่นอีกหรอถ้าอยากได้บุญก็ให้มาขอดีๆพันร่างนั้นก็หายไปแล้วคุณแม่ก็นอนต่อรุ่งเช้า พอคุณยายตื่นขึ้นมาอยู่ๆก็เล่าให้คุณแม่ฟังว่าตนเองโดนกวนโดนผลักให้ตกเตียงตั้งแต่วันแรกแต่โชคดีที่มีราวกั้นเตียงกั้นไว้ไม่ให้ตกที่คุณยายไม่เล่าให้ฟังตั้งแต่วันแรกเพราะพยายามจะไม่คิดอะไรมากถือว่าตังคนตังอยู่แล้วหลังจากนั้นคุณแม่ก็เฝ้าคุณยายไปจนถึงวันกลับบ้าน โดยที่ไม่ไปทําบุญให้กับผีตนนั้นจริงๆวิญญาณบนยอดเขาชายแดนใต้สวัสดีครับวันนี้ผมมีประสบการณ์จะมาแบ่งปันซึ่งเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับผมเมื่อปี2551หรหรือประมาณสิบปีก่อน ตอนนั้นผมเป็นทห า, หารอยู่และได้มีโอกาสไปยังสามจังหวัดชายแดนใต้จังหวัดที่ผมได้ไปนั้นคือนราธิวาสช่วงนั้นมีเหตุการณ์รุนแรงมากมีคนตายทุกวันและใกล้จะหมดเดือนรอมฎอนหรือเดือนือศีนอดซึ่งเป็นเดือนที่สำคัญที่สุดเดือนหนึ่งของศาสนาอิสลามพอสิ้นสุดเดือนรอมฎอนเช้าวันใหม่ ก็จะเป็นวันฮารีรายอซึ่งเป็นวันขึ้นเดือนใหม่ถือเป็นการสิ้นสุดของการถือศีลอดเดือนรอมฎอนผมได้ไปนอนบนเขาเขตติดต่อระหว่างตำบลช้างเผือกับตำบลเแนะที่อยู่ในอำเภอเแนะวันนั้นพวกเราไปกันทั้งหมด9้าคนตั้งใจจะเดินทางข้ามเขาไปยังอีกฝากหนึ่งระหว่างที่เดินทางไป ฝนก็ตกลงมาด้วยทำให้การเดินทางนั้นล่าช้าเพราะยากลำบากในการเดินทางมากขึ้นเมื่อไปถึงยังจุดหมายตอนนั้นก็ค่ำแล้วผมมองดูนาฬิกาก็เห็นว่าเป็นเวลาประมาณสามทุ่มจึงพากันผูกเปลนอนกับต้นไม้บนยอดเขานั้นเปลที่พวกเราผูกนอนกันนั้นอยู่ห่างกันเนื่องจากต้นไม้ มีระยะห่างออกจากกาันพอสมควรหลังจากที่เข้านอนกันหมดแล้วไม่นานนักก็มีเสียงคล้ายกับคนขย่มต้นไม้ในบริเวณใกลๆกลับที่พวกเรานอนอยู่ตอนแรกก็คิดว่าเป็นพวกคางออกหากินในเวลากลางคืนขณะที่กำลังจะนอนต่อก็ได้ยินเสียงเลื่อยยนต์กำลังเลื่อยต้นไม้อยู่มันทำให้ผมแปลกใจมาก พอเวลาอย่างนี้ใครที่ไหนจะมาตัดไม้ไม่นานนักก็ได้ยินเสียงไม้ล้มลงมาโครมใหญ่พวกพี่ๆที่ไปด้วยกันรีบวิ่งมาดูผมว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะเสียงนั้นมันดังใกล้ๆ ก, กับที่ผมนอนอยู่พอดีเมื่อส่องไฟมองหาก็ไม่เห็นมีต้นไม้กิ่งไม้หรือแม้กระทั่งใบไม้หล่นลงมาเลย สักพักก็มีเสียงไม้ล้มดังขึ้นมาอีกตามมาด้วยเสียงหัวเราะเสียงนั้นชัดเจนมากพวกเราได้ยินกันหมดทุกคนต่างหันมามองหน้ากันแต่ก็ไม่มีคำพูดใดๆออกมาจากนั้นก็แยกย้ายกันไปนอนต่อผมพยายามข่มตานอนให้หลับเพราะเสียงนั้นยังดังอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งคืนจนถึงเวลาตีห้า พวกเราก็เดินทางลงมาจากเขาแล้วได้เจอกับผู้ใหญ่บ้านผมก็เลยเล่าเรื่องบนเขาให้แก่ฟังผู้ใหญ่บ้านจึงเล่าให้พวกเราฟังว่าก่อนที่พวกผมจะมาที่นี่เมื่อปีก่อนนั้นได้มีชาวบ้านขึ้นไปบนเขาตรงจุดเดียวกันกับที่พวกผมไปผูกเปลนอนชาวบ้านพวกนั้นขณะที่กำลังตัดต้นยางบนเขาอยู่ ก็ถูกผู้ก่อการร้ายฆ่าตายอย่างเฮี้ยมโหดหลังจากนั้นอีกสองเดือนต่อมาก็มีเด็กสามคนเป็นพี่น้องกันถูกยิงตายอยู่ตรงนั้นทุกคนที่ขึ้นไปก็จะโดนฆ่าตายแบบเดียวกันหมดที่ตรงนั้นจึงไม่มีใครกล้าขึ้นไปอีกเลย สัมผัสยอง